ส่วนพระราชมารดาและพระราชบิดาของพระราชานั้นยังมีพระชนอยู่ทั้งสองพระองค์ลำดับนั้นพวกอมาตะเหล่านั้นจึงไปทูลพระราชมารดาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระลูกเจ้าของพระองค์ทรงใครจะฆ่าพระราชบุตรและพระชายาและบูชายันพระราชมารดาตรัสว่าพ่อเอ๋ยนี่เจ้าพูดอะไรอย่างนี้ แล้วก็ทุบประสวงด้วยประหัดกันแสงคร่ำครวญเสด็จมาตรัสถามว่าลูกเอ๋ยได้ยินว่าพ่อจะกระทำยันบูชาเห็นปานนี้จริงหรือพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าพระราชมารดาเสด็จมาแต่พระตำหนักทรงกันแสงร่างตรัสถามพระเจ้าเอกราชนั้นว่าพระลูกรัก ได้ยินว่าพ่าจักบูชายัญด้วยพระราชบุตรทั้งสี่หรือบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าพระเจ้าเอกราชนั้นตังตังได้แก่ซึ่งพระเจ้าเอกราชพระองค์นั้นคําว่าแต่พระตําหนักสวิมานโตได้แก่จากพระตําหนักของพระองค์พระราชากราบทูลว่า เมื่อต้องฆ่าจันทกุมารบุตรแม่ทุกคนมอมฉันกสละมอมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจักไปสู่สุคติสวรรค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสละจัตตาความว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมาร น, นั่นแหลบุตรแม่ทั้งหมดมอมฉันโกสละเพื่อบูชายันลำดับนั้นพระราชมารดาตรัตถ์พระราชานั้นว่า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 นิรยาเนโสความว่านั่นเป็นทางแห่งอบายสีที่ชื่อว่านรกเพราะไม่มีความเช่มชื่นพระราชมารดาเรียกพระราชาด้วยพระโคธว่าโกนทัญญะคำว่าสัตว์ภูตะพัพยานังได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วและสัตว์ที่จะพึงเกิดคำว่าบูชายันยันเยนะ ความว่าชื่อว่าทางไปสวรรค์ย่อมไม่มีด้วยการฆ่าบุตรและิดาบูชายันเห็นปานนี้พระราชาทูลว่าคำของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่หม่อมฉันจักฆ่าจันทกุมารและสุริยะกุมารหม่อมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้วจักไปสู่สุขติสวรรค์บรรดาคำเหล่านั้นคาว่าคาของอาจารย์ทั้งหลาย อาจะริยานังวจานังความว่าข้าแต่พระแม่เจ้ามตินี้จะเป็นของข้าพระองค์ก็หาไม่ได้คำกล่าวนี้คำสั่งสอนนี้เป็นของกันฑาหาลาจารผู้ยังข้าพระองค์ให้ศึกษาความประพฤติเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จกข้าบุตรทั้งหลายเหล่านี้เมื่อบูชายันแล้วด้วยบุตรอันสละได้ยากข้าพระองค์จกไปสู่สวรรค์ ลำดับนั้นพระราชมานดาเมื่อมิอาจจะยังพระราชาให้เชื่อถือพระวาจาของพระองค์ได้ก็เสด็จหลีกไปทีนั้นพระราชบิดาได้ทรงสดับข่าวนั้นแล้วก็เสด็จมาตรัสถามพระเจ้าเอกราชนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าแม้พระเจ้าวสวรดีพระราชบิดา ได้ตรัสถามพระราชโอรสของพระองค์นั้นว่าลูกรักทราบว่าพ่อจากบูชายันด้วยโอรสทั้งสี่หรือบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวสวัสดีวสวัสตตินี้เป็นชื่อของพระราชานั้นพระราชาทูลว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารบุตรแม่ทุกคนมอมฉันก็สละ หม่อมชั้นบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจกไปสู่สุขติสวรรค์ลำดับนั้นพระราชบิดาตรัสกับพระราชาว่าลูกเอ๋ยพ่อจงอย่าเชื่อคํานั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายันทางนั้นเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกโกนธัญญาพ่อจงให้เถานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลย นี่เป็นทางไปสู่สุขติทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะเอาบุตรบูชายันพระราชาตรัสว่าคําของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่มอมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารมอมฉันบูชายันด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้วจกไปสู่สุขติสวรรค์ลำดับนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระราชาว่า ลูกกลทัญญพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยพ่อจงเป็นผู้อันพระราชบุตรห้มล้อมรักษากาศิกรัตและชนบทเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้อันพระราช บ, บุตรห้อมล้อมปุตตะปริวุโตได้แก่ผู้อันพระราชโอรสทั้งหลายแวดล้อมแล้วคำว่ากาศิกรรัตและชนบทรัฐทัง ชนะปัทันจะความว่าท่านสามารถจะรักษากาศิกรัฐทั้งสิ้นและชนบทอันเป็นส่วนนั้นนั้นของกาศิกรัฐนั้นนั่นแหลครั้งนั้นพระราชบิดาก็ไม่อาจกระทาให้พระเจ้าเอกราชทรงเชื่อถือพระราชดำรัสของพระองค์ลำดับนั้นพระจันทกุมารทรงพระดำริว่าอาศัยเราผู้เดียว ทุกเกิดขึ้นแล้วแกคนมีประมาณเท่านี้เราจะทูลวิงบอลพระราชบิดาของเราแล้วปล่อยชนมีประมาณเท่านี้เสียให้พ้นจากทุกคือความตายพระองค์เมื่อจะทรงเจรจา ก, กับด้วยพระราชบิดาจึงตรัสว่าขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดหาลบุโรหิตเถิด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 ขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันฑาหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลมาให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันฑาหาละปุโรหิต ตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดพระเจ้าข้าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกขับไล่จากเว่นแคว้นก็จักเที่ยวพิษขาจารย์เลี้ยงชีวิตบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่นิคละพันทะกาปิความว่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นผู้ถูกจองจาด้วยโซ่ใหญ่ด้วยคาว่า ตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดยักสะผลติตะวะกามาพระกุมารทูลว่าแม้ถ้าพระองค์ปรารถนาจะให้แก่กันดาหาละบุโรหิตพระองค์จงกระทําพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาตแล้วให้แก่กันดาหาละบุโรหิตเถิดพวกข้าพระองค์จะกระทํางานทาตแก่กันดาหาละบุโรหิต ด, ด้วยคำว่าถึงแม้จากแว่นแคว้น อภิรัตเถนี้พระองค์รำพันว่าถ้าพวกข้าพระองค์มีโทษอะไรพระองค์จงขับพวกข้าพระองค์เสียจากเว่นแคว้นอนหนึ่งพวกข้าพระองค์แม้ถูกขับไล่จากพระนครแล้วจักถือกระเบื้องเที่ยวขอทานเหมือนคนกำพระขอเดชะขอพระองค์อย่าได้ข้าพวกข้าพระองค์เลยจงให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด พระราชาได้ทรงฟังคําพร่ำกล่าวมีประการต่างๆนั้นของพระราชกุมารแล้วถึงซึ่งความทุกข์ประหนึ่งว่าพระอุระจะแตกมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนประกาศว่าใครๆย่อมไม่ได้เพื่อฆ่าลูกเราความต้องการด้วยเทวโลกไม่มีแก่เราแล้วเพื่อจะปล่อยคนทั้งปวงนั้นจึงตรัสคาถาว่า เจ้าทั้งหลายพร่ำเพ้ออยู่เพราะรักชีวิตย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่เรานักแหลพวกท่านจงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไปณบัดนี้เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายันราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วจึงปล่อยสัตว์ที่รวมไว้เป็นหมู่หมู่นั้นทั้งสิ้นตั้งแต่พระราชบุตรทั้งหลายตลอดไปถึงหมูนกเป็นที่สุด ปายกันดหาละพรามกำลังจัดแต่งกรรมอยู่ในหลุมยันลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งกล่าวกับกันดาหาละนั้นว่าเฮ้ยกันฑาหาละคนชั่วร้ายพระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งหลายนั้นพระราชาทรงปล่อยไปแล้วเจ้าต้องฆ่าลูกเมียของตนเองเอาเลือดในลำคอของคนเหล่านั้นบูชายันกันดาหาละพรามนั้นคิดว่า นี่พระราชาทรงกระทำอะไรเนอะลุกขึ้นแล่นมาด้วยกำลังเร็วประหนึ่งว่าถูกไฟประไลกันเผาอยู่ฉะนั้นจึงกล่าวคาถาว่าข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเทียวว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้แสนยากบัดนี้พระองค์ทรงกระทำยันที่ข้าพระองค์ตระเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไร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 ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเทียวมิใช่หรือว่าคนมีชาติขลาดกลัวเช่นพระองค์ไม่สามารถจะบูชายันขึ้นชื่อว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ชื่อว่ากระทำการทอดทิ้งยันซึ่งถูกตระเตรียมไว้ในบัดนี้ของข้าพระองค์บาลีว่าวิขำพังก็มี อธิบายว่าปฏิเสธเขาแสดงว่ามหาราชเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงกระทำอย่างนี้ก็ชนประมาณเท่าใดบูชายันด้วยตนเองก็ดีให้บุคคลอื่นบูชาก็ดีอนุโมทนายันที่ผู้อื่นบูชาแล้วก็ดีพวกเขาทั้งหมดนั้นย่อมไปสู่สุขติอย่างเดียวพระราชาผู้บอดเขาพระองค์นั้น ทรงเชื่อถือคำของกันดหาหะพรามผู้เป็นในอำนาจแห่งความโกรธนั้นแล้วทรงเป็นผู้สำคัญว่าเป็นการชอบธรรมก็ทรงให้ราชบุรุษไปจับ ก, กุมพระราชกุมารทั้งหลายกลับมาอีก